เบาเบลุ่งๆถ้าอย่างนี้เป็นตัวเอาเอาแบบที่สองเนี่ยเป็นตัววัดได้ใช่ไหมคะว่าเรารู้ถูกหรือเรารู้ไม่ถูกหรือใจถึงฐานหรือเปล่าถ้าใจเราหนักๆเนี่ยนะผิดแน่นอนแต่ถ้าเบาเบลเนี่ยอาจจะถูกหรือผิดยังไม่แน่บางทีเบื้อประมาณนั้นจะไปค้างอยู่ในความว่างๆมีความสุขไปอีกก็ได้หลุดไปอยู่อีกข้างหนึ่ง mm hmm. ค่อยๆสังเกตแต่ถ้าหาก เราภาวนาแล้วมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งคงที่อยู่นานๆอย่งนี้ยแสดงว่าต้องไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกไม่ได้จะมีความนิ่งคงที่อยู่อันหนึ่มันไม่ค่อยรู้สึกอะค่ะหลวงพ่อเพรารู้สึกว่าเหมือนกับเวลามีสภาวะมาก็ยังเห็นอยู่บ้างเห็นสิในขณะที่ใจเราไปเกาะนิ่งอยู่นี่นะเห็นทุกอย่างเส้นไหลหมดเลยเราลืมดูไอ้ตัวนี้ตัวที่เป็นคนรู้เนี่ยตัวนี้มันนิ่งๆอยู่ ก็อนเน็ตเส้นไย ห, หมดนะเหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่ถ้ายัางเหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่คนะี้มีเห็นอันนี้เที่ยงเห็นหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างโยเว้นตัวเองเ <c oughs> นื่หรอไหมมันไม่ย้อน <c oughs> วิธีมีวิธีทํายังไงให้มันหลุดไหคะหลวงพ่อไม่มีวิธีนะไมมีใช่ไหะต้องเห็นอย่างเดียวต้อเห็นเอ<ด>าเนะมื่อไหรรู้ทันเมื่อนั้นก็ไม่ติดเมื่อไรรู้ไม่ทันก็ยังติดไปก่อน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 นะงั้นสิ่งที่จะช่วยเราแต่ไม่ติดอันนี้ก็ติดอันนี้เหมือนก็ลอยกระทงนะเดี <c oughs> ๋ยวก็ติดตรงนี้ต้อไปเขี่ยหน่อยลอยไปหน่อยไปติดตรงโน้นอีกละนี่สิ่งที่จะช่วยเราได้มีสองอันอันหนึ่งครูบาอาจารยา์คือกัลยาณมิตรบอกให้อีกอันหนึ่งถ้าเราห่างครูบาอาจารย์เราต้องสังเกตอะอะไรๆก็สู้โยนิโสมนัสิการไมนะ่สังเกตตัวเองโยนิโสมนัสิการเนะี่เป็นความช่างสังเกต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 ยังไม่แห้งแงชีหน่อยัยงรู้สึกว่ามันยังติดอยู่รู้สึกไหมจิตมันกระจัดกระจายมันโม่โม่ ว, ม, วมันกระจัดกระจายไปแล้วก็ไปทื่อๆ อ, อยู่ในนั้นเลยมีทั้งทือ ท, ทั้งกระจา ย, ยมีไมหรือไม่นในขนาดเดียวกันเนี้ยสภาวะธรรมจําำจำนวนมากเกิดขึ้นนี่ในหนึ่งสภาวะเนี่ยนะในหนึ่งขณะ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 มันเลยหลบแล้วมันเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างนี้สังเกตไหมมันจะขี้โมโหแล้วมันจะกดไว้กดไว้มันเลยไปออกซึมซึไปมันไปน้อมใจให้นิ่ง ๆ, ๆไปดูไปเอาเบอร์แปดสิบสี่ลงกันบ้านอีกปีแล้ววันนี้อีกขวบอีกขวบเจ็ดแล้วเหรอโอ้เจ็ดขวบใช้ได้ละ ถ้าอาหาัรเจ็ดขวบมีนะดูใจออกบ้างอย่างเขินรู้สึกไม่เขินไม่อยากฟังล้จะฟังแต่พ่อพ่อเป็นศรสนแล้วเ <c oughs> อาให้พ่อก็แล้วกันเดี๋ยวกลัวมากวันหลังเขดไม่กล้ามาวัด จงเขาชอบเล่นกับผมนะตอนนี้เขาขาที่แล้วมาหาหลวงพ่อเนี่ยเขาก็จะกลับไปนี่เขาก็จะถามรู้ตัวอยู่หรือเปล่าเขจะชอบเล่นอย่างนี้กับผมนะแล้วครั้งแรกๆนี่เขาถามผมร้อยครั้งผมคงเผลอสักร้อยครั้งอ่ะเพระนตอนนี้ก็เลยเล่นกับเขาแบบนี้ฮอดครับเขาก็ถามผมบอกว่าแล้วเวลารู้ตัวเฉยๆเนี่ยรู้อะไรหลวงพ่อช่วยบอกเขาหน่อยนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายอยนี้รู้ตัวก็รู้ตัวสิไปรู้อะไรถ้ารู้อะไรก็ไม่ใช่รู้ตัว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 พะโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปไม่ใช่ว่าอันใดอันหนึ่งหรอกรู้หมดเลยแล้วแต่ว่าสติจะไปะระลึกรู้อะไรมีอะไรไหมออขอขอทรงอนบ้านที่หนึ่งครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกผมติดสร้างภพใช่ไหมคฮะก็จริงๆทุกคนติดนะทุกคนสร้าง น, นะก็ ครบที่หลวงพ่อบอกผมก็เห็นบางครั้งวันนั้นนั่งประชุมอยู่นะฮะนั่งนั่งอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็รู้ตัวว่าเอ๊ะนี่เราลรานั่งเรากำลังยึดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ฮะแล้วมันก็หลุดออกมาประมาณสี่ครั้งมันก็หลุดมาเพราะมันก็ปล่องล่งเบาสบายขึ้นมาอะแล้วนั่นแหละแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังๆเนี่ยมันรู้สึกกิเลสมันเยอะมากเลยหลวงพ่อจิตมันรู้สึกโอ้โหมันอย่างที่เคยข่าส่งการบ้านขาที่แล้วครับว่ามันภาวนาได้ปราณีตครับหลวงพ่อ รู้สึกว่าเห็นจิตตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยมันมันมันมันทำงานเยอะแล้วเห็นกิหละเยอะมากอืมเห็นแล้วมันมันกลัวตัวเองครับบางครั้งอย่างที่หลวงพ่อพูดอะครับว่าว่าว่าว่ามันมันมันมันไม่น่าเชื่อเลยนี่เราเรียนรู้ตัวเองนะแล้วเพราะว่าเราร้ายกว่าที่เราคิดเราเรียนรู้เราปรับเกิดตัวเองออกเราไปสร้างภาพขึ้นมาให้ดูดีๆขั้นแรกเลยเราหลอกตัวเองก่อนว่าเราดี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 เป็นอาจารย์มันต้องดูเรียบร้อยใช่ไหมไปดูนะดูไปจนกรสร้างตัวแท้ๆมันโผล่มาก็แล้ว่าอีกอย่างหนึ่งมันรู้สึกที่หลวงพ่อบอกเมื่อวานนะว่ามันรู้สึกว่าบกเองรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ยายเนี่ยคือคือมันสังเกตจิตใจไม่ได้เบื่อหน่ายแบบว่ามีโทสะตี <H an> ที่ไปลายจมกูกอะไรอย่างเง <H an> <H an> ี้ยมันไม่ได้เบื่อแหละแต่ว่าแห่งโลกร้อนขึ้นไปแต่แต่มันทานองแบบว่า มันฟังเรื่องโน้นเรื่องนี้มามองไปที่งน้ว่านี่ก็ไม่น่าสนใจนี่แหละครนะรู้รสึกไม่โล่งนี้จืดชืดมันยังไม่จืดขนาดแบบว่าแห้งสนิทแต่ว่านะมันมันแค่แบอกว่ามันไม่น่าสนใจมันั่นแหละต้องดูไปอีกมันแห้งสนิทนะครับท่าก็ระพเจ้าถึงสอนกันบอกว่ามีบุคคลหลายประเภทบุคคลชนิดหนึ่งนะเหมือนไม้สดๆแช่น้ําอยู่ บุกคนชนิดหนึ่งเป็นไม้สดแต่ว่ายกออกมาจากน้ําแล้วบุกคลชนิดหนึ่งเป็นไม้แห้งอยู่พ้นน้ําขึ้นมาเราจะภาวนาจนกระทัง่งอย่างในใจที่แห้งไปเรื่อยเป็นแห้งสนิทเลยจิตใจที่แห้งสนิทแล้วเนี่ยนะใกล้เคียงพร้อมที่จะบรรลุแล้วสมควรในการบรรลุธรรมครับนะอแล้วก็อีกคําถามนะครับผมพ่อคือที่เรื่องพุโทโธเมื่อวานนะครับคือผมพอจะสังเกตตัวเองว่าถ้าผมทําพุโทโธ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 เอจิตมันมีกำลังมากครั 1, คร้งหนึ่งอาจารย์เผลอไปแล้วอาจารย์รู้สึกไหมใจตรงเนี้ยโล่งกว่าตะกี้ตรงเนี้คือใจที่รู้ตัวธรรมดาธรรมดาเนี่ยใจที่เป็นปกติธรรมดามีความสุขรู้สึกไหมเนี่ยคือจิตที่รู้สึกตัวอยู่ตรงนี้นะ อ, อย่าต่กี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ละไม่ อ, ออกไหมดูออกไหมยังแคบเอ่มันแคบๆได้เออมันจะมีกรอบ มันตุบขังเนี่ยค่ะจิตมันมีกําลังแล้วมันก็เมื่อกี้มันฟุ้งๆไปหน่อยค่ะแล้วก็มันมันทําเข้มอะค่ะตอนนี้มันกดกดนิดนึงว่ากดกดอยู่เมื่อกี้ที่นั่งอยู่เหมือนกับผิดมันจะตั้งมั่นกว่านี้อตอนนี้ไปกินข้าวเย่างแก้แม่นเลือดมันย้ายไปอยู่ที่กระเพาะเยอะเลยเอแล้วก็จะเบลอๆไปนิดนึง แล้วก็พักนี้เหมือนกับที่ยังคืออย่างเมื่อวานนี้หรือว่าวันนี้จะเห็นส่วนมากสภาวะที่เห็นคือสภาวะที่มันเกิดดับอ่ะเห็นเกิดดับบ่อยอแล้วก็มีแล้วไม่แน่ใจว่าบางทีที่รัตเห็นเกิดะับอ่ะบางทีแล้วรู้สึกว่าเป็นมีการน้อมนําบางครั้งน้อมนําให้มันไปเห็นด้วยใช่ไหมคะเบื้องต้นเือน้อมนําไปก่อนก็ได้ด้วยว่ามีตัณหาอาศัยตัณหานะเพื่อละตัณหา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 มีความไม่พอใจอ่ะแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นวัตถุร้อนๆอย่างนี้ยค่ะกิเลสจนะร้อนถูกต้องนะมันเผา ม, มันเผาเคยได้ยินไหมว่าโพสกีนาไฟคือโทรสระร้อนนะกิเลสมันร้อนจริงๆแล้วที่ถ้าเราเห็นอย่างนี้ยแล้วก็ต้องดูมันไปอ่ะเพราะว่าหรือว่าทิ้งมันไม่ได้ให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางในขณะนั้นใจไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลาง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 แต่เมื่อเราไปรู้สภาวะแล้วเนี่ยจิตเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาต้องรู้ทันเอนถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสจะครอบงาเราละแต่ถ้ารู้ทันจิตก็จะหลุดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาสังเกตไหมว่าเรางพอพูดเหมือนกันทุกวันตอบแต่ละคนก็เหมือนเหมือนกันแต่ทำไมคำตอบนี้ไม่เข้าไปสู่ใจเราเอเราไปเจอเกิเลสมันริกแลรงนิดเดียวนั้นเราจะงงละ ว่าเราไปติดอยู่กับกระบวนท่าของกิเลสมากไปเราลืมหลักไปกิเลสทุกตัวนะั้นมันหลอกให้เราเริมรู้สึกตัวอย่าไปค้นคว้ามันสิรู้ไปไม่งั้นหลงเออไปแล้วจะรายงานหลวงพ่อว่าเมื่อวานที่หลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูความอยากที่เราอยากได้มา <c ười> มาเรียนกันทุกวันเลยเหรอพ <c ười> ักอยู่ที่บางคาค่ะช่วง น, นี้มีคนเข้ามาต่อว่าหลวงพ่อนะ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 แต่ว่าเวลาเราเจอจริงนะสภาวะไม่เคยเท่าเทียมกันเลยืม no? ันลืมลืมจริงๆแต่ตอนแล้วลืมเมืมอดมื่อจะไปจดจ้องใส่ตัวสภาวะนะแทนที่จะรู้ทันจิตที่กาลังยินดีินร้ายนั้นที่หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตดูจิตน่ะไม่ใช่ให้ไปดูอะไรหรอกนะพอเวลาเราไปรู้สภาวะแล้วจิตเกิดยินดียินร้ายึ้นมาให้รู้ทันตัวนี้หรือยังเราไปอยู่กับความว่างจิตไหลไปอยู่ที่ความว่างส่งจิตไปอยู่ในความว่างเราเห็นการส่งจิตไปนี่เรียกว่ารู้ทันจิตตัวเอง งั้นถ้าเรียนลงมาถึงจิตมันจะหมดความปรุงแต่งไปถ้ารู้ไม่ทันก็ไปปรุงแต่งโน้นนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ๆจะเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนั้นทําไม่ได้ก็ต้องรู้นอกๆไปก่อนแต่ว่าพอรู้นอกๆเ้าชอบไปแช่ค้างไว้ตรงนั้นไม่ยอมดูจิตหนีใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าเราเห็นเทวดามาเทวดามาขอฟังเทศตอนกลางคืนพอเห็นเทวดาปุ๊บเนี่ยถ้าใจสงสัย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 มันเป็นอย่างงาน้นมันเป็นอย่างนี้นี่เราบังคับไม่ได้นะเีจือด้วยการคิดลงไปการที่เราคิดถึงใจรักนะด้วยการเปรียบเทียบอะไรเนี่ยมันเป็นสมัสสนิยานยังไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาแ ท, แท้แต่ว่าเป็นตับต้นทางของการทํำวิปัสสนาะมันคิดพิจารณ์งั้นต่อไปจิตมันจะไปเห็นเองตรงที่จิตมันเห็นเองโดยไม่ได้จงใจจะเห็นนั่นแหละถึงจะใช่แล้วตรงนั้นไม่ยาวละมันยากลําบากก็ตอนต้นๆ น, นี่แหละ ย, ยิ่งภาวนาจะยิ่งง่าย เหมือนที่แรกอยู่ในป่ารกทึบแล้วเต็มไปได้วยหนามเนยเดินละมืดสื้อเลยต้นไม้ซึกมากมองไม่เห็นแสงแดดมีแต่หอยทากนะไม่ใช่หอยทากนะทาบเฉยๆน่ากลัวกว่าหอยทากนะรบัดต่างๆอะไรเยอะแยะแต่ละก้าวไปนี้นะบาดเจ็บไปเรื่อยๆแต่ยิ่งภาวนาไปยิ่งเดินไปนะคกล้ๆป่ามันปลูกขึ้นเรื่อยๆยิ่งภาวนาและยิ่งสบายยากที่สุดตอนที่จะขึ้นต้นทางให้ได้นี่แหละ เส้นทางของการปฏิบัติจริงๆนั่นก็คือเรามีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจได้ลงปัจจุบันได้รู้อย่างศักว่ารู้สักว่าเห็นไปยากยากที่จะมาตรงนี้อาศัยว่าฟังทำไปล้มลูกลุกลานไปทําผิดทําถูกไปเรื่อยๆเนะบื้องต้นก็เจือด้วยการคิดห้ามไม่ได้หรอกเป็นอย่างนั้นเลยนะต่อไปก็ไม่ได้คิดเอาแต่ไปเห็นจริงๆตอนนี้ปัญหาของคุณนะยังบังคับอยู่รู้สึกไหม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 มันก็พุงทานเยอะครับก็กดด้วยนอรู้สึกไหมตอนนี้เราพูดนะเสียงเราเนี้ยหลอกความเป็นจริงครับดูออกไหมครับดูออกครับเออเ่ดูออกก็หลุดออกมาเลยฮะแล้วเราสร้างขึ้นมาครับสร้างขึ้นเพื่อให้ดูดีดูสุขภาพนุ่มนวลครับดีหลุดออกมาแล้ว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 หายใจทุกวันทุกวันหายใจเรื่อยๆหายใจไปแ ล, แล้วก็จิตใจสงบรู้ว่าจิตใจสงบพอสงบไปช่วงหนึ่งเห็นไหมมันจะฟุ้งซ่านอีกแล้วก็รู้ว่าจิตใจฟุ้งซ่านเอาลมหายใจเป็นฐานไว้แต่อยา่าไปน้อมใจให้ซึมแต่ถ้าตามจิตแล้วมันจะจะไปไเรื่อไม่เราไม่ตามจิตเนะี่ยมันมีหน้าที่ไปอยู่แนละ้วจะตามจะไม่ตามมันก็มีหน้าที่ไป แล่นเราหายใจแต่คุณอารมหายใจเป็นฐานไหม <S <s หายใจแล้วสังเกตไหมใจชอบหนีไปคิดหายใจแล้วจิตหนีไิคิดรู้ทันไ่มจิตหนีไปคิดหายใจแล้วจิตซึมซึมรู้ว่าจิตซึมซึมหายใจแล้วมีพีจีมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นรู้ว่ามีปีจีรู้ว่าสุครู้ว่าสงบหายใจไปแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น <S <s นะฝึกอย่างนี้นะทางใครทางมันไม่จําเป็นต้องเรียนแบบไคแล้วแล้วถ้า แค่จิตสงบแล้วไม่ไม่ไปไหนถ้าสมมติเขาตามลมหายใจอย่างเดียวนี่ก็สงบไปรู้ว่าจิตสงบพอใจรู้ว่าพอใจนะมันจะพอใจรู้สึกไหมวันนี้ภาวนาแล้วสงบก็พอใจวันนี้ภาวนาแล้วฟุ้งซ่านไม่พอใจเี่ยแถมรู้พอใจไม่พอใจเขาอีกอันแล้วแล้วก็แล้วไปไหนต่อค่ะหายใจไปไม่ไปไหนเลย <c oughs> แล้วแล้วจะมีบางช่วงที่ถ้าตามลมหายใจแล้วมันจะมีบางช่วงที่รู้สึกว่ามันบืดแล้วอแล้วมันจะแบบคล้ายๆมันจะหล่นลงไปแล้วมันจะเหมือนกับมันไปเรื่อยๆเหมือนกับเข้าอยู่อย่างที่อะไรอม่าว่ามันแต่มันจะอึดอัดนะครอึดอัแล้วใจเราไม่ชอบไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจแห่ให้รู้ตรงที่พอใจไม่พอใจนี่แหละ แล้วแล้วต้องแล้วก็รู้แค่นั้นแล้วก็ไม่ไมพยายามจะถามหลวงพ่อว่าจะทํำยังไงใช่ไหมหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าให้ทําอะไรหลวงพ่อบอกว่าจิตใจเรากําลังเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ให้ไปทําอะไรงั้นคุณเคยหายใจคุณก็หายใจไปหายใจแล้วใจเบิบเบบรู้ว่าเบบๆบิบ แ, แ, แ, แล้วเราอึดอัดก็เราพยายามฝืนมันมันจริงปล่อยให้วบิบลงไปเลยลงไปนอนอยู่ข้างล่างแค่นั้นพักผ่อนเนี่ยมันมีแรงมันก็ขึ้นมาเอง ตอนที่จิตรวมทีแรกก็ยังไม่ชํานาญนะมันหล่นวูบๆอย่างไรแต่ต่อไปชํานาญแนละ้วมันจะลงนิ่มนวลเหมือนนักบินนะนักบินมือไม่ถึงนะลงแล้วยังกระเด้งสองสาทีให้คนโดยสารหัวใจส่นเต้นตอนลงเก่งๆก็ลงไปทีเดียวนะเหมือนกันแหละเวลาที่จิตจะรวมยังไม่ชํานาญเนะี่ยหล่นตุ๊กลงไปหวาดเสียวพอเพิ่งไปฝืนๆ น, นะจิตมันจะรวมแล้วไปฝืนจะปวดหัว วันนั้นถ้าจิตมันจะรวมอย่าไปฝืนถ้าฝืนแล้วปวดหัวปล่อยให้มันรวมไปพอมันรวมแล้วก็อย่าไป น, นึกว่ารวมพอสม็วดแล้วขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้ก็ปวดหัวอีกนะให้มันขึ้นของมันเองถ้ามันขึ้นมามันรวมก็รว ม, รวมเองขึ้นกขึ้นเองเรามีหน้าที่ตามรู้ไปเรื่อยๆเราขึ้นมาแล้วเมื่อกี้สงบตอนนี้เริ่มสายไปสายมาแล้วไม่สงบรู้ว่าจิตไม่สงบไม่ดูจิตอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ๆไปเที่ยวหาอะไรมาดูหายใจไปแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของใจของเราไป อย่าตอเ น, นี้ใจหนีไปคิดแล้วจำไหมเนี่ยหันรู้อย่างเนี้ยไม่เห็นจะปวดหัวเลยนที่เปิดหัวก็ไปฝืนจิตมันจะรวมกลับนักสักการะค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเลค่ะเขอกลับกลับเรียนถามสามประเด็นค่ะคือเคยได้ยินคําว่าดูจิตมาหลายปีแล้วกค่ะก็ะสงสัยว่าจิตมันอยู่ตรงไหนให้ไปดูอะไรออืแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้ดูเจ้าค่ะแล้วก็มาเมื่อวันที่สิบได้ซีดีของหลวงพ่อจากจากเพื่อนเก็ก็ฟังแล้วเข้าใจก็เลย คิดย้อนกลับไปวันที่ผ่านมาเราเราก็ทําได้แล้วก็ทํำในสิ่งที่หลวงพออ่อสอนไม่ทราว่าถูกหรือเป่าไม่ทราถูกสิหลายคนนะภาวนาไปพอภาวนาเป็นนะจะพบเลยว่าเอ๊ะอันนี้เคยเป็นมาแล้วแต่ลืมไปซะตั้งนานเนะ่ยลืมไปเป็นชาติชาติเลยนะจริงที่ตอนเด็กๆความรู้สึกอย่างนี้เคยเกิดมาแล้วนะพอโตขึ้นมาคิดมากคิดว่าการปฏิบัติต้องทอํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้มันเลยหายไปแต่บมหาหัดรู้สึกขึ้นมานะั้นมันกลับมาอีกใช้ได้ดูไป ข้อที่สองค่ะคือตอนนี้ปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอให้ให้นั่งจนเห็นทุกข์ให้นั่งจนเจ็บให้่านบอกจะได้กายกับจิตมันจะได้ยกที่นี่นั่งแล้วมันผลไม่ได้ก็พยายามจะกลับเลียนถามท่านบอกว่าผู้ไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทุกข์ไม่ได้หรอกค่ะแบบน่าจะมีวิธีอื่นใจก็คิดตลอดว่าม่น่าจะมีทางอื่นไม่ต้องไปผ่านทุกขเวทนาแต่ท่านก็ยังบอกว่าต้องผ่านเพื่อให้เราได้ให้สิทธ์กับ กับกายมันแยกจากการ น, นั่นค่คือครูบาอาจารย์ท่านผ่านมาทางนั้นท่านก็สอนอย่างนั้นถ้าหากศึกษาที่พระพุทธเจ้าสอนนะหรือว่าเราศึกษากับครูบาอาจารย์จำนวนมากเราจะพบว่าทางใครทางมันการที่จะแยกเวทนาเนี่ยจากการข้ามเวทนาเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างถ้าเราจะนั่งไปแล้วทนเวทนานะั้นซจงกระทั่งจิตเราเข้มแข็งนะ เห็นปุขกเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ใจเราเป็นกลางต่อความทุกนี่เป็นการเจริญเวทนานุปัสนาถ้าเราเจริญกายาหรปัสนาตรานั่งอยเนี้ยมันปวดมันเมื่อยเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเราก็จะเห็นว่ารูปเนี้เมื่อกี้นั่งตอนนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินรูปนี้ไม่คงที่นั่เราเปลี่ยนอิริยาบถได้เพราะเราไม่ได้ดูเวทนาเป็นหลักถ้าหากเราดูจิตเรานั่งไป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 ความสุขความทุกข์ในใจเราเนี่ยเป็นของถูกรู้จิตที่เป็นคนรู้อยู่สังหารถ้าคุณแยกเอาตัวรู้ออมาได้เนี่ยนะเวลาคุณนั่งคุณจะเห็นทันทีเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็อีกส่วนหนึ่งจะแยกกันเองเลยนี่เป็นวิธีคี้โกงนะคล้ายๆอะไรนะวิธีคิดเลขแบบรัดๆอะเคยทดลองสื่อเจ็บแล้วก็พยายามดูว่ามันเจ็บมันมันไม่ใช่กายเจ็บใจแต่ว่ามัน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 แต่ว่ามันจะไม่ได้ปัญญาแท้ๆมันจะรู้สึกว่ากูเก่งคูเก่งกูเก่ ง, งนเนืองากตั้งเป้าผิดถ้าตั้งเป้าผิดก็ต้องเดินผิดแหละอย่างจะไปเชียงใหม่นะแล้วก็อยู่ศรีราชาเนี่ยจะไปเชียงใหม่แต่เดินไปทางตะวันออกเนี่ยมันจะไปเจอพนมเปญนืนเป้าหมายของการปฏิบัติต้องถูกต้องเรารู้เวทนาเพื่อให้เห็นว่าเวทนาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา เห็นเกณฑไหมความปวดไม่เคยคงที่เดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาสลับไปเรื่อยๆแต่เราอยากให้หายแล้วเราทำด้วยโลภะนะทำด้วยกิเลสงั้นเมื่อเราปฏิบัติทำด้วยกิเลสเนี่ยใจเราไม่สมควรที่จะรองรับธรรมะชั้นสูงขึ้นไปนะดังนั้นอย่าไปภาวนาเพื่อให้หายปวดแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าความปวดนี่เป็นสิ่งที่เราบังคับมันไม่ได้ แต่ดูผิดที่ก็ใช้ไม่ได้ข้อทีนี้ไม่จะทำคือเรื่องเกี่ยวกับการทํางานนะคะก็เป็นคนโพสต์สลิตแล้วก็ก็เลยไม่ไม่ทํางานออกจากงานแล้วก็พอมาปรับปฏิบัติขานานระยะหลังๆมากขึ้นก็มีความสุกว่าเราน่าจะไปทางนี้แล้วก็อยากไปแต่ส่วนหนึ่งมันก็ยังดึงกันอยู่เหมอกัแล้วก็ใจมันไม่อยากกลัไปทําแต่ว่าความจําเป็นอย่างที่หลวงพ่อท่านก็เคยเทศจําเป็นก็ต้องไปทำใช่ไหมทําไมเรามุ่งเอาอะไร การเรียนธรรมะจริงๆมุ่งให้เห็นความจริงว่าขันห้าเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวเราะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะหลีจากโลกนะเราไปทํางานหรือเราอยู่ในป่ามันก็มีขันห้าเหมือนกันแหละถ้าเราหัดภาวนาเป็นเราก็จเจริญสติอยู่ทํางานไปก็จเจริญสติหลวงพ่อหัดภาวนาเนี่ยไม่ได้หัดในป่านะหลวงพ่อภาวนาการเป็นฆราวาสเหมือนพวกเรานี้แหละตื่นเช้ามาตะลีตาลานไปทํางานเย็นสมสารกลับบ้านเหมือนกันแหละ รเรกเก า, าก็ภ<บ>าวนาภาพวาดกไปเริ่มสักการะคนนี้ยมีความสุขขึ้นเยอะแล้ว <s> แต่ก่อนนี้นะเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความเครียดเต็มไปด้วยการตําหนิติเตียนตัวเองเดี๋ยวนี้นเป็นคนใหม่แล้วรู้สึกไหยสวยกว่าเก่า ก็คือหนูหนูก็รู้สึกว่ามันแปลกไปอะค่ะเพราะว่าแต่ก่อนหนูจะเต็มไปได้วยความสงสัยมากมตอนนี้มันก็ยังมีนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับพอรู ก, ก็สงสัยแล้วก็ดับไปเหมือนกับเวลาเราฟังคนอื่นพูดเราก็จะรู้สึกว่ารู้สึกคิดตามเขาอะค่ะแล้วก็จะสงสย<ม>ัยแล้วพอเรามาคิดเรื่องของเราเหมือนกับเรามาคิดว่าจะถามอะไรเราก็เหมือนกับไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกัน<ม>บางครั้ง จริงหนะ้าไม่ต้องถามสภาวะของเราเป็นไงนะเรารู้ไปเรื่อยๆสมัยที่หลวงพ่อภาวนาครูบาอาจารย์ไม่ให้ถามเยอะนะเคยไปถามหลวงปู่สิมนะมีอยู่ช่วงนั่งภาวนาแล้วมันหลับทุกเดียวเลยซึ่งไม่เคยเป็นขนาดเดินจงกรมยังเดินหลับเลยซึ่งไปถามท่านว่าหลวงปู่มันเป็นยังไงเนะี่ยมันเกิดอาการอย่างนี้เพราอะไรไปแก้อย่างไงท่านบอกอย่าสงสัยเลยให้ดูไปเถอะ ครูบาอาจารย์บอกให้แค่เนี้ยหรือภาวนาตอนหัดใหม่ๆเลยภาวนาแล้วก็ไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลิจิตเป็นอย่างงี้ผมจัดการอย่างนี้จิตเป็นนี้ผมแก้อย่างนี้เก่งมากเลยใจเราโล่ง <c oughs> หลวงปู่บอกว่าพิดเมัวแต่ไปยุ่งกับอาการของจิตกลับไปดูใหม่ไม่ไม่สอนอะไรเยอะถ้าหลภาพเป็นคนที่สงสัยนะคงภาวนามไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์จะไม่บอกเยอะยิ่งบอกมากเรายิ่งคิดมาก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 นิ่งมากเกินไปมีคําว่าเกินไปในวงเล็บต้อนไว้ไม่พูดออกมาให้หลวงพ่อได้ยินนมันมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะบางทีหนูรู้สึกมันเฉยๆบางครเ้งเฉยๆดูไปแต่ว่ามีลามีอะไรกระทบมันก็รู้สึกมันไม่ได้เฉยแต่ว่าต้องเวลาปกติอย่างเงี้ยมันเมาวัดเลยก็เวลาปกติไม่มีผัสสะเนะมันก็ไม่กระเดือนไม่มีอะไรกระทบมันก็ไม่กระเดือนแะถ้ามีการกระทบแล้วมันถึงจะกระเถือนรู้ไปอย่างเงี้ยเหรอคะ สงสัยรู้ไหมรู้เ่ะบแล้วใช่าหม้ารเที่ยวที่แล้วก็คือซึมกดชื่อแล้วก็เลยทิ้งรูปแบบไปทั้งหมดเลย ก, ก็รู้สึกว่าเบาสบายขึ้นแต่ก็บางช่วงก็หลงงา น, นหลงนา น, น, านแต่ว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา รู้สึกว่ารู้ตัวได้บ่อยกว่าช่วงนู้นก็ค่ะคือช่วง<ช>ที่ติดกดไว้เนี่ยจะรู้ตัวไม่บ่อยอ่ะคื่อๆอยู่นะแต่ตอนที่เราปล่อยเนี่ยช่วงแรกจะรู้ตัวได้ไวแต่ว่าพอนานๆไปนะจะฟูฟ้าแล้วหายไปเลยเราะนั้นมันจะสุดโตงเลยเพราะฉะนั้นถึงช่วงหนึ่งเราก็ทําความสงบเข้ามาถึงช่วงพอสงบแล้วก็ปล่อยแค่ก็ทํางานมันก็จะทําได้พอดีแนละเห็นเกิดสักอะไรพอดีพอนานๆไปชักจะปฟงแล้วดูไม่รู้เรื่องแล้วก็กลับมาทําปรับสงบ เนี่ยต้องดูเหมือนเราับรถอ่ะตอนนี้จะตอนน้องเหยียบเบรคตอนนี้จะตอนน้ตองเหยียบคันเร่งนะวัตสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งมาครั้งแรกนะเจ้าค่ะเ อ, อทุกวันนี้ก็ฝึกดูจิตช่วงลมหายใจนะคะแล้วก็บางทีเผลอแล้วก็ลืมไปบ้างก็รู้สึกไหมจิตใจมันโปร่งกว่าเกา่า ลงตลอดค่ะมันมีความสุขเมื่อตดไม่เคยมาใช่ไหมเดี๋ยวเราพูมากไปเล่าไปมันสบายกว่าเก่าแล้วดีแล้วค่ะอบดูไปอย่างนั้นแหละดูถูกแล้วดูถูกแล้วใช่ไหมคะก็ดีหนูเดินบางครั้งค่ะรู้สึกไหมไม่ใช่เล่าเฉยๆแต่เล่าแบบฟุ้สร้านอ๋อคไม่ใช่นี่ยดูไฟใช่ได้แล้วใช่ได้ขอบคุณค่ะไปฟังซีดีมาหรือ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 เกิอดอาการโกรธขึ้นมานะแล้วเราก็รู้ว่ามันโกรธแล้วเราก็โมโหรอบส อ, อีกว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องโกรธเออนี่เรารู้ปัจจุบันแล้วก็รู้โมโหตัวที่สองนี่อย่าไปดูโมโหตัวแรกตัวแรกเป็นอดีตดูตัวที่สดสดร้อนรอนดูไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นเลยว่ากิเลสเกิดทั้งวันรู้สึกไหมครับแล้วถ้าภาวนาเก่งๆนะแค่ยังอ ย, งอยู่ในที่มืดๆอย่างเงี้ยพอออกไปข้างนอกแดดกระทบเกิอดอตานี้เดียวก็โกรธแล้ว เราจะเห็นด้วยแหมมันช่างโกรธนะโกรธได้ทียิบเลยเพราะนิสัยเราช่างโกรธคนโกรธเนี่ยดูง่ายภาวนา ง, ง่ายมเป็นอารมณ์ที่รุนแรงชัดเนจนใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมอย่าไปบังคับนะครับคือพวกเราจริงๆแล้วเราเป็นคนเมืองแต่และ ว, วันนะเราทำมาหากินเนี่หนื่อยมากแล้วก็เราก็ิเครียดมากเพราเราคิดทั้งวันเลยทํางานที่ต้องใช้สมองเหนื่อย พอตกค่าเราจะมานั่งภาวนาเนี่ยแต่เดี๋ยวเดียวก็หลับแล้วเพราะว่ามันไม่ไหวมันต้องการพักผนะ่อนแะดัาการภาวนานะถ้าเราคิดแต่ว่าจะต้องนั่งสมาธิบางวันเนี่ยทิ้งมันไปเลยตกค่ำยังมาปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิเราก็จะนั่งหลับไม่มีแรงชาตินี้ก็ได้แค่นี้เองไม่พอเราต้องหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันนอย่างเราคุยสมมตคุยกับลูกค้าเราเนี่ยเห็นลูกค้าคนนี้เราชอบนะ ันนี้พูดง่ายเห็นคนนี้เราเกลียดหน้ามันค่าทางเรื่องมากอนะย่างเงี้ยหรือเราเป็นหมอเห็นคนไข้คนนี้เราชอบเห็นค น, นนี้เราไม่ชอบเราเป็นพยาบาลเห็นค น, นนี้หน้าตาอย่างนี้กวนประสาทเรานะฉีดยาให้หนักหน่อยอย่างเงี <c oughs> ้ยเนี่ยให้ดูไปเลยให้รู้ทันตัวเองในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยพอเรารู้ฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันมากๆนะตอนค่ำเรามาดูเนี่ยเราจะมีแรงอยู่ แต่ถ้าก็วันฟุ้งมาตลอดวันแล้วตอนค่ำมันไม่ไมีแรงจะดูแลทําสมาธิไม่ไหวยั ง, งต้องฝึกในชีวิตประจําวันให้ได้อะไปถึงไหนลแล้วขอบคุณครับเบืร์ยี่สี่เมื่อเช้าหันไปดูครับรู้สึกไหมเบอยี่สี่ตอนที่หันไปดูเขาเราลืมตัวเราเองเลืออกไหมออย่างเงี้ยเรียกว่าเผลอไปเรียกว่าหลงเรียกว่าขาดสตินะย่างเมื่อเช้าพอฟังหลวงพ่อพูดแล้วแอบไปคิดแปบหนึ่งรู้สึกไหม อย่างเนี้ยเรียกว่ามันแอบไปคิดมันหลงไปคิดเนี่ยมันหลงไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมหาดรู้อย่างนี้นะมันรู้ไปเรื่อยเรยรู้สึกไหมใจเราโลง่งๆขึ้นมาเนี่ยใจที่มันตื่นเนี่ยนี่แหละคือใจที่รู้สึกตัวและใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแต่ตรงนี้เป็นผู้คิดละรู้สึกไหมเนี่ยพอรู้ว่าเมื่อกี้คิดจะตื่นขึ้นมาแปบหนึ่งแล้วก็ไปคิดใหม่พอรู้อีกว่าเมื่อกี้ไปคิดก็จะตื่นขึ้นมาอีกแป บ, บหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจิตหนีไปคิดเรารู้ไปไปนะ ยังไม่จะตื่นทีทีหลายไปคิดปุ๊บรู้สึกคิดปุ๊บรู้สึกเนี่ยหนีไปคิดอีกละดูเอาไว้ยังออดีหลวงพ่ตัดไปได้หนึ่งคนแล้วเอะเป็นเสื้อแดงเกินครับก็เวลาเราทำงานเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านภาวนาข่้นีจกจะถามว่าไอการภาวนาเนี่ยสมมตสมมติเรามีเวลาจบเวลาจะใช้จะมากหรือน้อยน่ยขึ้นอยู่กับอะไรอะไรเป็นตัววัด น, นะครับ อะไรนะเวลาเวลาในการภาวนาครับทําไมนะสมมติก็เกิดเรามีเวลาเงี้ยโอเควันนี้เลิกเร็วจะนั่งปกตินั่งชั่วโมงหรือจะนั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราอะไรเป็นตัววัดว่าเราคนนั่งกึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงคือเราต้องตัดความรู้สึกอันนี้ออกไปก่อนว่าการนั่งเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเราจะคิดว่าตลาดวันเนี้ยเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่นั่งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี้ยเราจะปฏิบัติธรรม ถ้าอย่างนี้ยเราแยกการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตออกจากกันอย่างเนี้ยังหวังมากผลยากนิดนึงแค่จริงแล้วก็คือเราต้องปฏิบัติตนะั้งแต่ตื่นนะจนหลับยืนอยู่ก็ต้องรู้สึกตัวนั่งอยู่ก็คอยรู้สึกเดินอยู่ก็คอยรู้สึกนะรู้สึกไปเรื่อยๆตลอดเวลาที่รู้สึกตัวอยู่มีสติอยู่นั่นแหละไม่ว่าปฏิบัติอยู่เมื่อไหร่ขาดสติมันนั่นขาดการปฏิบัติคราวนี้ตกค่ําเรามีเวลานะเราก็ต้องตั้งใจไว้ก่อน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 หรือเดินจงกรมเหมือนกันบางคนไปตั้งใจว่าเราจะเดินจงกรมสามชั่วโมงเดินไปแล้วก็ดูนาฬิกาไปเดินไปเออหมดไปหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยอ่างเี้ยพอครบสามชั่วโมงอิ่มอกอิ่มใจว่าวันนี้ภาวนาดีทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ห่วยแตกนะไม่ได้เรื่องเลยแล้ว เ, เราไม่ได้ภาวนาเอาระยะเวลาเราไม่ได้ภาวนาเอาระยะทางด้วนยะอย่างเดินจงกรมนะบุงคนตั้งใจจะกลับไปกลับมาให้ได้200รอยเที่ยวคนเนี้ย นะรีบจําใหญ่เลยเหมือนตามควายนะถ้าสมัยนี้ก็ไม่มีควายให้ตามไม่ได้ตามอะไรนะเขงวิ่งอครบสองร้อยเที่ยวแล้วก็ภูมิใจวันนี้ภาวนาดีเนะี่ยภาวนาเอาเวลาภาวนาเอาระยะทางใช้ไม่ได้แล้วภาวนาเอาสตนะิถ้าเรามีสติอยู่ขณะนั้นปฏิบัติขณะใดขาดสติขณะนั้นขาดการปฏิบัติงั้นการปฏิบัติกับขาดการปฏิบัตินี่จะสลับกันทุกพุทึกพุทึกพุทึกอยู่ทั้งวันเลยงั้นะอย่างตอนนี้ยขาดการปฏิบัติแนละ้ว รู้สึกไหมไปทําใจทื่อๆขึ้นมาแนละ้วอย่าไปทําใจให้ทื่อๆอดทนนิดหนึ่งนะเพราของคุณมันติดสมาธิแต่ติดไม่แรงคุณฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วก็ปล่อยให้ใจมันทํางานแล้วตามดูมันไปตกค่านะไหว้พราสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรต้องทํานะทําให้ได้ทุกวันตั้งสัจจะ ก, กับตัวเองไว้ทุกวันจะต้องไหวพ้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ได้เนะี้ยสิบนาทีตรงเนี้ย ก็ทําให้ได้อย่าเสียสัจจะแต่ถ้ามีเวลามากกว่านั้นก็ทํามากกว่านั้นก็ไม่เห็นจะเสียอะไร<อ>คนครับคนนี้ผ่านไปเลย <c oughs> ไปไม่ทีจัดการไปแล้ว <c oughs> คือคือหนูได้แต่ฟังทีดีของหลวงพ่อนะคะยังไม่ได้ปฏิบัติจริงจังจริงจังคือเข้าใจว่าการปฏิบัติคือการนั่งแต่ทุกวันนี้คือทุกทุกขณะที่ทําททงานแล้วก็คือจะนึกถึงจะพุดโธบางครั้งมีความเครียดก็ ก็จะแบบโมโหอารมณ์โกรธก็เข้ามาแต่เราก็รู้ว่าเราเริ่มโกรธแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็จะสงบลงแล้วเราก็จะไม่โกรธอีกจับตรงนี้เวลาเราทํางานแไปพอมันโกรธนะเรารู้ว่าโกรธ <c oughs> อย่าไปแก้ไขมันค <c oughs> ไม่ใช่ไปพุดโธให้หายโกรธไปเจริญเมตตาให้หายโกรธเรานั่งดูไปซิดูความโกรธเหมือนคนมาเยี่ยมบ้านเรานั่งดูซิเมื่อไหร่เธอจะกลับ <c oughs> นั่งดูไปเรื่อยๆก็จะอยู่นานแค่ไหนไม่ไล่มันนะ อนั้นถึงจะเรียกว่าปฏิบัติแล้วก็ถึงจะก็จะถือว่าเป็นการปฏิบัติไปไปไปตัวนชีวิตประจำวันอยู่แล้วเราเกลิ้มไม่แน่ใจว่าเราเดินมารู้สึกไม่แน่ใจเราสบายไหมเห็นกิเลสไยไหมนั่นแหละเรียกว่าภาวนาเป็นยิ่งภาวนาเก่งและยิ่งเห็นกิเลสเยอะค่ะเดคือคือเคยคิดว่ตัวเองใจเย็นแต่พอพอเราเริ่มเริ่มทําแล้วเรารู้เลยว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบใช่ เราร้ายกว่าที่เราคิดใช่ค่ ะ, <น>ะแต่เดิมเราเห็นแม่มดอยู่รอบๆตัวเราค่ะอพวนาแล้วแม่มดมันอยู่นี่เองอ <นะ S 2> ใช่ค่ะ <c oughs> ก็เลยแบบให้คือรู้ว่าไม่ต้องไปดูคนอื่นให้ดูตัวเองอืเราดูคนอื่นนะเพื่อยั่วให้ใจมันเสลื่อนไหวค่ ะ, ะอย่างเราคุ ย, ยกับคนนี้ปุ๊บใจเราโกรธขึ้นมาแล้วเราก็รู้ทันว่าโกรรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปแก้อย่าแก้นะแล้วก็อย่าไปจ้องไว้ก่อนห้ามจ้องไว้ก่อนให้ความรู้สึกเกิดแล้วพ่อยรู้ รู้แล้วก็ไม่ต้องแก้ไขรู้ลูกเดียวครู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างนั้นบังคับไม่ได้ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปจะขอกันบ้านนะคะฮะเอาแล้วเหรอเพิ่งถามอาจารครั้งแรกเห็นกิเลนบ้างไหมเห็นบ้างค่ะเห็นบ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งดีบางครั้งก็เห็นความคิดฐานที่ไปคิดอะไรเนี้ยให้รู้ทันว่าใจหนีไปคิดนะ ยิ่งรู้ทันแม่ใจหนีไปคิดได้ยิ่งเก่งมากเลยเ <C le at> นี่ยไปแล้วรู้สึกไหมจิต <C le at> เราไปพร้อมใหม่ <C le at> ให้เรารู้ทั น, นไปอีกแล้วรู้สึกไหมห <C le at> ลวงพ่อไม่ตอบคาถามตอนที่ถือไม่อยู่รู้สึกไหมห <C le at> ลวงพ่อรอให้ปล่อยไม่ไปก่อน <C le at> นใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมเมื่อกี้เนี่ยมันไหลไปแวบบไปมันลืมตัวเอง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 อย่าไปว่ามันด้วยให้มันง่วงไปอ๋อมันง่วงจนแต่เช้านี้นั่งรถมานะคะพระอาจารย์มันง่วงแล้วเราก็อยากจะหลับเราก็พยายามเพ่งอะคะ่ะเพ่งข่มเขาให้หลับเราก็เห็นไอ้ตัวเพ่งตรงจิตที่หนักๆแล้วแต่หัวมันโคบกระจกป๊อกป๊อกอย่างนี้ค่ะพอรู้สึกก็กลับมามันเหมือนออมันคนละส่วนแล้วคนละส่วนกันรสดงว่าร่างกายหลับไปแล้วแต่จิตยังไม่ยอมจิตยังเพ่งอยู่ค่ะ นั่นแหละดีแล้วฝึกไปไม่ต้องไปแก้หรอกนะรู้ไปบางครั้งวเวลาภาวนาไปช่วงหนึ่งนะจิตมันจะเบื่อหนายในโลกจะรู้สึกโลกนี้ไร้สาระนะมันจะน้อมเข้าหาความสงกนั่นจะน้อมลงไปเบื่อพอ เ, เบื่อมากๆนะน้อมเข้าไปหลับเข้าไปนอนนิ่งๆอยู่นะให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรแล้วไปหลับได้ไหมคะได้สิ มันง่วงมากก็ไปหลับเออง่วงก็หลับไปพักสักครู่นึ่งถึงยังไงมันก็จะหลับไปฝืนฝืนใช่ไหมร่างกายก็หลับไปก่อน<ะ>ว่าใจเรายัางฝืนอยู่เรื่อยๆใจก็เลยไม่ได้หลับ<ะ>แต่ว่าจงใจจะให้หลับก็จะไม่หลับหรอกค่ะเห็นไหมบังคับไม่ได้สักอย่างเดียวสมน้ําหน้าเนาะข่ขอโทษค่ะสลวงพ่อคะที่นี้ พอดีว่ามีคนเคยบอกว่าหนูเนี้ยเพ่งมาเยอะอะนะคะพอเวลาโกรธเนี้ยเริ่มโกรธเราจะไม่เห็นมันโกรธแรงแล้วเราถึงจะเห็นแล้วเราก็จะไม่ทันนะคะก็รู้สึกว่าปีสองปีมานี้เราโกรธแรงจริงๆค่ะที่เราโกรธแรงนะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บกดเวลาที่เราจเจริญสติเราไม่เก็บกดยิ่งคนไหนเก็บกดมานานเพ่งมานานเนะี้ย เวลาตัวจจโตรวรุนแรงเหมือนต้มน้ำร้อนนะแล้วอุดลูไม่ให้ไอ้น้ำออกจากกาอุดมากๆกาน้ำระเบิดเลยแต่ว่าตอนนี้เราปล่อยแนละ้วเราเห็นแหมเดือดปุ๊บปั๊บปั๊บปับฝากระโดดไปกระโดดมานะไม่มีแรงดันทีนี้ว่ามันก็ไปกระทบกระแทกคนไงนครับหรือศีลห้าไว้ทางใจไม่เก็บกวดแต่ทางกายทางวาจายอย่าให้ล้นออกมา ไ ม, ไม่ทันก็รู้ว่าไม่ทันนะไม่ทันแล้วเสียใจรู้ว่าเสียใจอะอะดีนะภาวนาได้ดีแล้วใช้ได้เลยละ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อ ช, ชมเดี๋ยวกลับบ้านใหญ่อ้าวจัด <c oughs> ัดเป็นไงส่งกังเป็นไงเดินค่องอยังคล่องเกลือกคือถ้าไม่เดินมันก็จะไม่เดินเละ เดินเดินไปเดี๋ยวมันก็เดินเก่งไปเองครับเล่นบอลได้ยัง <c oughs> ไม่เล่นครับคือ <c oughs> ไแม่เป็นตัวอย่างนะแข็งแรงนะยังหนุ่มหนุมแข็งแรงอยู่อยู่รถชนเอาเฉยๆเดินไม่ได้ตั้งหลายเดือนงั้นดีว่ายัางภาวนานะถ้าไม่ได้ภาวนาอาจจะประสาทกินไปเลยเสียอกเสียใจรุ้มใจเนีย๋ยนี้เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นยังเอามาดูได้บ้าง เราก็จะเสริบโตขึ้นรู้สึกไหมชีวิตไม่แน่นอนรู้สึกยังครับถ้าเราเราถูกลดชนคราวนี้แล้วเราก็ได้เห็นความจริงว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเลยนะความตายใกล้เคียงเกิดเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเราได้ความไม่ประมาทมาถูกรดชนคราวนี้ก็คุ้มแล้วล่ะคุ้มใช่ไหมครับคุ้มสิ <laughs> อย่างน้อยเราก็รู้แล้วใช่ไหมใครเป็นใครรู้จักใช่ไหม <laughs> เรารู้จักแล้วว่าใครเป็นใคร เพื่อนคนไหนเป็นเพื่อนจริงๆคนไหนไม่ใช่อะไรเงี mm ้ย hmm. อในเวลาที่เราสบายนะเรารู้จักคนยากนะนเวลาเราลําบากเรารู้จักคนง่ายๆ น, นี่ประโยชน์ทางโลกนะประโยชน์ในทางธรรมะ ก, ก็คือเราได้เห็นแล้วว่ามันประมาทไม่ได้ชีวิตกับความตายนี่คาบเกี่ยวกันอยู่นิดเดียวะ mm hmm. เราไม่มีเวลามากไม่ใช่ว่าเราหนุ่มๆแล้วเราจะไม่ตาย mm hmm. พอเรามีความไม่ประมาทนะเราก็ขยันดูไปเรื่อยๆนี่เป็นกําไรนะ เป็นกำไรที่สำคัญเลยแต่รู้สึกช่วงที่ผ่านมาก็เข้ามาเสื่อมเลยเนื้อเสื่อมแนละ้วก็ดูไปบังคับไม่ได้เรายัางฝึกไว้น้อยไปถ้าฝึกไว้เยอะกว่ น, นี้เราก็จะเห็นเลยร่างกายมันทุกข์ทรมานใจมันเบิกบานโอ้ขามันเดินไม่ได้แล้ว <c oughs> เมื่อก่อนนะมีคุณป้าคนหนึ่งรู้จักกันชื่อป้ตุป้ตุโควินทัศป้ตุเนี่ย เคยอุปถักต์หลวงปู่เทสแกทําอาหารเก่งแกก็ทําครัวถวายหลวงปู่เทสตลอดเลยั้าแต่ท่านไปอยู่จันท บ, บุรีนะเจอที่จันท บ, บุรีก็ไปอุปถากต์อยู่ท่านไปอยู่ภูเก็ตก็ตามไปท่านไปหินหมักแป้งไปบุกเบิกหินหมักแป้งอลไรก็ตามท่านไปเลยอยู่กับท่านมาเรื่อยๆต่อมาพอแก่เนี่ยเป็นเบาหวานล้มลุกทุกคลานเดินเดินก็ล้มอะไรเงี้ยแต่อมา บาหวานเป็นเยอะขึ้นไปตัดนิ้วเท้าไปตัดหนึ่งนิ้วหอวแม่โป้งคนก็ไปเยี่ยมแกก็โชว์เท้ า, าดูสิหมดไปหนึ่งแล้ว <c oughs> มาตูกตัดขึ้นมาอีกคนไปเยี่ยมนะั้วร้ออีกนี่เนี่ยหมดพาราไปอีกทอนหนึ่งแล้วนะตอนวันจะตายนะมันจะตายอยู่โรงพยาบาลลุกไม่ได้แล้วลุกไม่ขึ้น อยากได้รูปหลวงปู่เทศต์ลูปหลานมาตั้งไว้ที่หัวนอนมองไม่เห็นอ่ะแกมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ตั้งไว้ที่ปลายเท้านี่ใช่ไหมตั้งหัวนอนไม่เห็นตองแกตายเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าแกตายตอนไหนพยาบาลหรือคนเฝ้าไม่ได้อยู่ตอนนั้นแต่ตอนที่แกตายแล้วเนี่ยนะปะากฏว่าแกเอารูปโลกงปู่เทสต์มากอดไว้ได้แต่เกียนสกายขึ้นไปเอามาได้นะแล้วตายอยู่กับการภาวนา ใจผูกอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับธรรมะรู้กายลงไปเห็นกายนี้เจ็บปวดนะจิตใจสงบตั้งมั่นตายได้อย่างสงาภาภ่าข่าเผยมากเลย mm hmm. นี่เขาภาวนามามากภาวนามามากเพราะฉะนั้นเวลาเกิด อ, อะไรขึ้นนะจิตใจร่เาเริงอ้าคิดยอดคิดยอดวันนี้เป็นไงเมื mm ่อกี้ง่วงครับสั่งนิทานแล้วตื่น เรียกฆาตการก็เพศชาติตกมีนิทานเพราะช่วงช่วงนี้รู้สึกว่ามันมีโทรศัพท์แรงๆญาติ ด, ดูเรื่อยๆมีโทรศัพทก็รู้ไปเราเพิ่งจะเป็นหนุน่มลูกเมื่อก่อนนั้นมันเด็กตอนนี้มันตัวจริงๆนะมันโผล่ขึ้นมาเยอะเลยดูไปเรื่อยๆมีโลภะแรงๆดีญาต์หนีนะที่รู้นะรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะจิตมีโทรศัพ เรื่องของจิตจิตมีโลภะก็เรื่องของจิตแต่เราไม่ทํากรรมชั่วเพราะโลภะเ พ, าพราะโทสะนั้นนะในโลภะโทส่ายอมจิตไม่ติดเนียโลภะจะมาโทสะจะมาก็ต่างคนต่างอยู่กับจิตไม่เกี่ยวกันให้ฝึกไปแล้วมีความสุขครับครับเนี่ยตอนฝึกแล้วโลภะแทบจะจับเบิ้ลเลย <laughs> มันฝึกธรรมะอยูอ่ยเสียดายขยันภาวนาตั้งแต่เด็กๆขยันดีจัง อย่าใจต่อนะมันสึกไปแล้วสึกแล้วเป็นคารวนก็ต้องทาเอานะวันนี้นั่งๆ่งอยู่มก็ชอบจ้าออกมาข้างนอกๆดีแต่ไม่จ้ามากไม่เป็นไรเป็นเพราะว่าตะก่อนไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นคราวที่แล้วหลวงพ่อมาบอกสภาว่าไ้ปั่นตะก่อนมันจ้าเยอะกว่านี้เยอะเลยก็เลยพอจะเห็นแล้วว่าอ๋อมันจ้าอย่างนี้เอง เกิดก้านําเป็นโมหะอย่างเพราะะ้โมหะเป็นชื่อกิเลสนะกิเลสยาบๆมันมืดๆมัมวๆนะกิเลสพละเอียดขึ้นนะสว่างแปลกนไปเมื่ อ, ไ, อไหร่จะหมดคือคือปฏิบัติสมาธามาครับแล้วก็สักพักเริ่มเอาเอาตัวรู้เนี่ยครับเข้าไปนั่งอ๋อเข้าไปดูด้วยเพราะว่านั่งสมาถาแล้วมันจะมีความ มีเรื่องอะไรให้มหา ภ, าภาออัยม า, า, า, าผ่าตาโอภัยมาเสร็จแล้วเนี่ยพอรู้เสร็จกระตุกบางทีก็พอเรื่องใหญ่ๆมามันจะกระตุกค่อนข้างแรงนะครับเลยอยากถามว่ามันนี<ะ>่อะไรอีกหน่อยหนะึ<อ>่งเป็นเรื่องแรกๆมันคอนทราสต์รุนแรงระหว่างรู้กับหลงนะคอนทราสแรงเหมือนกระตุกคือทางจิตเนี่ยพอรู้สึกตัวทีแรกๆนะั้นหมายมันคอนทราสตรุนแรงแต่พอรู้สึกตัวบ่อยๆมันก็ไม่รุนแรง หรือเวลาเราทําสมาธิหันใหม่ๆเวลาจิตรวมรู้สึกแม่รุนแรงพอทําชำนี้ชำนาญแล้วรวมนิ่มๆเหมือนกันอะแล้วก็ถ้าท่าำกับบางทีบางทีนในึง ใ, ในที่ทํางานนะครับมันไม่ได้ตามรู้ครับแต่มันแค่เห็นเฉยๆอเออแค่เห็นนั่นแหละดีแล้วลก็เห็นเท่าที่เห็นได้เพียงแค่เห็นเฉยๆโดยไม่ต้องตามรู้ก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องไปตามมัน ให้มันเกิดแล้วก็รู้เองตรงที่มันเกิดแล้วรู้เองเรียกว่าตามรู้ไม่ต้องไปเที่ยวไล่ตามนะถามเรื่องสว่างเมื่อกี้ครับของพี่เมื่อกี้อะไรนะของพี่คนเมื่อกี้ที่สว่างของ<ช>ผมก็เป็นเหมือนกันบ็นตัวเดียวกันไหมครับไม่เหมือนกันเวลาตั้งมั่นกว่าจิตตั้งมั่นมากกว่าเขาเนี่ยจิตแอบไปคิดแล้วคือไ ม, ไม่ต้องทาอะไรมันใช่ไหมครับเฉยๆไปให้รู้ทันไปตามรู้ไป ตามรู้นะไม่ใช่ไปดักรู้นะไม่ใช่ไปดักรอรู้ว่าจะมีอะไรให้รู้ให้สิ่งต่างๆให้สภาวะเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาสิ่งจะเรียกว่าตามรู้ถ้าไปดักรู้ใจจะแน่นๆ่นไม่มีความสุขถ้าตามรู้ใจจะโล่งๆสบายดูอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆของคุณติดสักครองไว้นิดหนึ่งตัวรู้เด่นชัดดีแต่อย่าไปสักครองตัวรู้แน่นเกินไปไม่ดีนะ ปล่อยให้มันหลงบ้ารู้สึกไหมตัวรู้หายไปเป็นตัวหลงนะดูอย่างเงี้ยตัวรู้ก็เกิดแล้วก็ดับรู้สึกไหมจิตมีปีติขึ้นมาเนี่ยพอเรารู้ทันใช่ไหมตัวรู้เกิดแล้วก็ดับจิตเกิดปีติขึ้นมาเราก็รู้ทันปีติก็ดับไปแล้วตอนนี้รู้สึกไหมปีติดับเนี่ยใครรู้ทุกอย่างที่เขาเคลื่อนไหวปีติเขาก็เกิดเองเขาก็ดับเองเราแค่รู้เท่านั้นนะตอนนี้แอบไปคิดอีกแล้ว ไปดูนะจิตมีสองอันมีจิตผู้รู้กับจิตผู้คิดไปดูเรื่อยๆสลับกันไปเรื่อยตัเนี้ยเป็นจิตผู้คิดแล้วไปฝึกตรงนี้นะไม่ใช่ฝึกเอาจิตผู้รู้นะแต่ไปฝึกให้เห็นว่าจิตผู้รู้ก็ชั่วคลาวจิตผู้คิดก็ชั่วคลาลไปฝึกตัวนี้ให้มันสลับกันยิ่งบ่อยยิ่งดีฝึกไปแล้วมันเกิดอารมณ์อยากบวชประมาณนั้นไหมครับหรออยากบวชยังบวชไม่ได้ะยังบวชด้วยความอยากอยู่ มีบางคนจะขอบวชจะทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งหมดแล้เจ้าเอ๋ใช่ไหมหลวงพ่อ บ, บอกให้ไปอยู่บนถ้ำคนเดียวนะอยู่ในป่าในถ้าอยู่คนเดียวภาวนาดูใจตัวเองวัดใจเสร็จแล้วเลยคนผมอย่างเดียวแต่อยู่บ้านนะบอกอาบวชได้ครึ่งหนึ่งนะเมื่อกี้หลงไปลนะเบอร์หกนึกออกไหมใจหนีไปคิดแล้วลืมตัวเองไปให้หลงไปแล้วรู้ว่าหลง ดีกว่าจ้องเอาไว้แล้วไม่หลงเลยจ้องเอาไว้แล้วไม่หลงเลยเนี่ยติดเพ่งไม่ดีเนี่ยหลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมพอเราหลงแล้วรู้ว่าหลงแล้วใจจะค่อยตื่นขึ้นตื่นขึ้นถ้าเพ่งไว้แล้วใจจะทื่อๆใช้ไม่ได้เนี่ยหลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมผู้รู้หายใช้ได้ฝึก ด, ดีอ่ะได้อีกหนึ่งนะหมดแล้วก็ปฏิบัติมาแล้วก็ไม่รู้ว่าทําถูกหรือทําผิดนะคะทเป็นปนิริต <ละ S 1> ไห ม, ไม กิเลสเกิดบ่อยไหมวันหนึ่งวันหนึ่งก็บางทีก็เห็นบ่อยบางทีก็ทั้งวันผ่านไปก็เพิ่งจะเห็นน้อยไปหน่อยนะ <c oughs> อย่ามาักน้อยอย่างนี้น <c oughs> ให้เห็นกิเลสบ่อยๆ ย, ยิ่งบ่อยยิ่งดีค่อยฝึกไปอย่างนี้แหละรู้สึกไหมตอนเนี้ยแก้งทำใจให้ทื่อๆไม่ไม่รู้สึกใจมันนิ่งๆกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมไม่ทําอันนี้ตรงนี้แหละไม่ดีตรงนี้ติดสมรชาติิดเท่งติดบังคับติดกําหนดติดประคองติดควบคุม บางที่เหมือนกับว่าพอรู้ว่าคิดไปปุ๊บมันก็จะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเอ่ามันจะมีสามสภาวะต่อกันอันนึงหลงไปคิดอันที่สองรู้ว่าหลงไปคิดตรงเนี้รู้ถูกต้องแล้วอันที่สามกลัวจะหลงนะั้นเลยกลับมาเพ่งใส่ลมะเป็นการเพ่งอันแรกเผลอไปคิดอันที่สองรู้อันที่สามเพ่งลมหายใจแม้มีเผลอกับเพ่งเผลอกับเพ่งเป็นความสุดตรงสองด้านรู้เป็นทางสายกลาง ฉน้นต้องเผลอบ่อยๆแล้วก็รู้ว่าเผลอนะรู้ถ้าเพ่งก็พยายามเผลอไปมันจะได้หายเพ่งตรงเนี้ยดีกว่าเมื่อกี้ใจโล่งขึ้นมารู้สึกไหมเดี๋ยวเพราะเราไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าเราจงใจปฏิบัติอย่างแน่นๆขึ้นมาให้คนนึอ่ะเดี๋ยวจะเสียใจหลวงพ่อน่าสงสารอย่างนี้หละเป็นจีดเมงหมอกไปเลยอ่ะตอนนี้ติดตึม น, นิดหน่อยครับหลวงพ่อ แต่ว่าข้างในมันสว่างแต่ว่าได้เห็นตัวที่ซึมเออตัวที่ซึมเนี่ยตัวโมหะนะสังเกตไหมจิตของเราก็อยู่สังหากโมหะอยู่สังหารคนละอันกันรู้ไปได้่อยอย่าปิเกลียดมันแต่ว่าปกติก็จะติดตามรู้อะฮะคือมันยังชอบที่ยาตามรู้ไปเรื่อยๆต้องตามรู้ถึงแล้วมันชอบภาครึเปล่าก็มันตามรู้หรือมันตามภาคมันตามรู้ฮะแล้วก็บางทีมันก็จะหลุดออกมา อแล้วมันก็จะตั้งมั่นอยู่พักแล้วพอมันก็จะตามรู้อีกเพราะว่าใจมันชอบที่จะตามใจมันไหลไปดูใช่ไหมไหลไปรู้โน่นไหลไปรู้มันก็อันนั้นไม่เรียกว่าตามรู้อันนี้เรียกว่าหลงไปรู้ะใจมันหลงไปรู้โน้นรู้นี่นะเพราะใจมันหลงไปแล้วเรารู้ว่าหลงไปเนี่ยเรียกว่าเราตามรู้นะได้แค่นี้นะโยมเดี๋ยวขอคุยกับพระ